ดิเชื่อเดี๋ยวคุณจีมีตั้งหลายตัวหยิบให้ักตัวหนึ่งหยิบเลยเอาคุณเพิ่นช่วย้างหน้าคุณเปิน่นส่ขึ้นางนายยเลยนะไปได้ช่วยกันเริ่ม ท, มที่เริ่มที่คุณน้องก่อนพี่เนเลยค่ะค่ะก็ในคำถามแรกนะคะก็เป็นคำถามที่ถูกกาหนดมาจากรูปแบบพัทยิญานิพนธ์นะคะก็ จากลับเรียนถามหลวงพ่อเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งว่าหลวงพ่อชู ม, มิตเราเดิมอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้านอําเภออะไระเนี่ยค่ะชูวิตเราเดิมแล้วก็มาโดยโด ย, โดยคนอำเภอเด่นชัยในจะังหวัดแพร่ต่เกิดที่นั่นเป็นมาตุกคนิที่นั่นค่ะแล้วก็หลวงพ่อได้อุปสมบทมากี่บรรษาแล้วเนะะี้ยค่ะ มาบทนบีไ้ได้ปศสอส้อยสิบนะแล้วก็สบบกอ 5, สดสมบทปศสองร้สิบห้าป็นี้มีหาพรรษาปีพระพศสองนี้ปัน้ารสิบห้าจนถึงปัจจุบันอศเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วสี่ี4สี่สิบเก้าปีแล้วฮะเอ้าไม่รู้นะ ส, นสนี่่อยู่มาเรื่อยๆ อ, อ๋อถ้าบท เ, บเป็นเน้นก็แค่สี่สิบเก้าปีนะคะหลองพ่อสี่สิบ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 ดังนั้นแล้วก็ติดต่อมาเรื่อยเอยจนพอ่อช่วง118ก็เริ่มมาจากนั้นในไปสมมุตนเองก็ได้พบทุศิตหลวงพ่อปัญญานั้นวงพ่อพุทธธาตุที่เราชอบอ่านหนังสือของท่านชื่อว่าอาจารย์เฉมานันทะที่เป็นตอนนั้นท่านบวชเป็นพระฟิกซูอยู่ก็ติดตามงานของท่านการอ่านหนังสือการฟังบรรยายของท่านเราถืว่าท่านก็มาปฏิบัติตามแนวทางของพเทีนในกาสต่อมา S <S มาก็เลยรู้จักหลวงพ่อเทียนโดยสารท่า น, น, นแป้นเทียนมานันทะค่ะ <S 2> <S 2> แล้วก็ตามมาพบท่านท่านเองอ๋อค่ะแล้วก็หลังจากที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติตามเจ ร, ริญสติตามคําสอนหลวงพ่อเทียนแล้วหลวงพ่อได้พบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจากการปฏิบัติในสภาวะของหวงพ่อนะคะอ๋อเช่น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 เมื่อเสร็สติสมาธิปัญญาแล้วตัวเสร็จตัวสมาธิปัญญานั่นเองก็เป uh, <air> ็นตัวเข้าไปสู่มรรคผลตามที่พุทธญาณท่านตรัสเพื่อที่จะไปทำลายกิเลสอัสวะนั่นเองทำให้เกิดปัญญาหลับเนใหญ่เลยนะคะในระหว่างที่กำลังเจริญสติอยู่เกิดอาการเช่นอาการตึงเครียดเราจะแก้อย่างไรครัหลวงพ่ออ๋อแน่นอนเวลาเรา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 ในสุก็จไม่เห็นปัญหาเพราะนั้นตัวสมถะจึงไปสู่ที่ที่ลึกเกินไปจะไปสู่วิปัสนาไม่ได้แต่ตัวสมถะในขั้นต้นเป็นพระนิกายสมาธิหรืออัปนาอุปจา ร, รสมาธิเนี่ยเข้าไปสู่วิปัสนาได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นส่วนดีนะส่วนไม่ดีก็คือเราไปติดนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดอาการวิปรารนะคะหลวงพอ่อ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 เรียนรู้จากครูอาจารย์แต่พอเกิดปัญห า, หาเกิดบ่วยศัทเรืร่องนี้ขึ้นมาแฟนที่จะไปบอกให้ครูอาจารย์ได้ทราบแต่เนื่องจากสำคัญตัวเองผิดไปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันถูกนะก็เลยไม่ต้องไปบอกครูอาจารย์ก็ทำตามสิ่งนั้นแต่ไม่รู้ว่านั้นจอเป็นวิปัสสนูจนกระทั่งว่าไปทำอะไรเยอะแยะไปมารู้ทีหลังก็สายแล้วแต่ถ้าหากว่า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 แล้วก็คนนั้นก็เสียคนไปเลย <ฮะ S 1> อันนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่เราถือว่าคนนั้นได้ทำวิบากกรรมมาถึงไปติดอารมณ์ตัวนั้น <ฮะ S 1> แต่ถ้าหากว่าเราไม่ทำวิบากกรรมมาหนักหนาแท้โหมันก็ไม่เป็นหรอกเพราะนั้นไม่ต้องกลัวมันน ะ, <ฮ>ะออให้สคบอกให้อาจารย์ได้ทราบว่าฉันเป็นี้มนถูกลูกสาวอันนี้ก็จะแก้ได้แล้วก็หากเกิดความติตเน่ย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 พ <departed. |mt|>. อขย <t oper genocide> ันทำเพราะได้เห็นอะไรขั marathon, And, ้นแรกมันรู้สึกดีใจใช่ไหมขยันทําอย่างอาจารมาหลงพ่อเคยทําเนี่ยพอไปรู้จักเรื่องนี้แล้วเดินนักคืนเลยนะตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสี่ทาอยู่สองสามวันปรากฏว่าติดใจวิปัสนาเลยปฏิใจวิปัสนาหลวงพ่เทียนท่านเห็นปีตอนนั้นปฏิบัติอยู่กับท่านนะท่านก็มาแก้ให้แก้ให้ก็ผ่านไปง่ายๆอันนี้ถ้าหาว่าปฏิบัติถ้าครูบาอาจารย์ท่านเห็นแล้วก็เราบอกท่านเนี่ยจะแก้ได้ไว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 เรียก้องให้คนอื่นมาดูว่าตัวเองทํางานหนักขนาดไหนใช่ไหมค <ฮะ S 1> ่ะเพราะฉะนั้นหลกการทํางานเมื่อกอนเับปาลารกคนอื่นสิ่งอื่นเราถึงขยันทํางานเพื่อลูกเพื่อมีเพือ่อสามีเพื่อภรรยาเพื่อพ่อเ พ, พือพ่ อ, อแม่เราปลารกคนอื่นแต่หลังจากเรามารู้สึกตัวแล้วเราทํางานเพื่อปาลารกทำแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานเป็นผลสอยได้แต่ผลที่แท้จริงกลับว่ามันเป็นความสุขที่ได้ทํางานใช่ไหมมีความสุขในการ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 มีความสุขที่เกิดจากการทำงานโดยการกา mm. ดึงกาย mm. ดึงใจมาทำ mm. ด้วยกันเสมงานก็เลยกลายเป็นการปฏิบัติธรรมด้นี่นะเลยแล้วก็ใช้กับเจริญสติเป็นหลวงพ่อเทียนใช้กับครอบครัวข่งพ่อ อ, พอ๋อแน่นอนถา้าเราขยันทำการทำงานเนอะอยู่กับคนไหนก็เขาก็รักอใช่ไหม<ะ>มีสามีสามีก็รักมีภรญายาขยันปฏิบัติก็รักนอกจากตัว เ, เป็นคนพูดมาก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 ไปต่างประเทศบ่อยๆที่ได้10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะถ <c oughs> ือว่โอกาสได้เจริญสติยาวๆได้พักไปด้วย <c oughs> อาะไรที่เจนเหนื่อยใช่ไหมเราก็ได้เจริญสติแล้วก็ได้ว่าออกมา ท, ทํานู่นทํา น, นี่มันทําให้เราสนุกในการหรือทำในเรก็มีความสุขขับรถก็เหมือนกันนมากรณ์ว่าคุณขับรถแล้วคุณมือลูกโป่งอะไรคุณก็รู้สึกตัวละ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 เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเราจะเริ่มมองละเพราะอะไรเพราะการเจริญสติฝึกให้เราเป็นคนแก้ปัญหาแต่แก้ที่ตัวเองก่อนเมือ่อแก้ปัญหาของตัวเองเป็นคนอื่นก็ไม่ยากและ้ะแก้เขาได้นะอันนี้คืออันนี้สงการเจริญสติสามารถแก้ปัญหาในการทํางานได้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ า, าว่ายังแก้ไม่ได้แสดงว่าการปฏิบัติของเรายัางไม่ถึงนั่นเองเลยนะะเราจะปฏิบัติพร้อมกับการเต็ม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 พ่อเห็นว่านักเรียนไม่มีความสุขในการเรียนพ่อแม่ก็หวังสูงมาอยากให้ลูกเรียนดีๆพอไปโรงเรียนครูก็บังคับให้เรียนตามวิชานั้นนักเรียนเลยถูกกดทั้งข้าล่างข้างบนใช่ไหม <S 2> <S 2> <S มันก็เลยเครียดแต่พอโรงเรียนลูกอลุนเขารู้จักปัญหานี้ปั๊บเขาแก้ไขด้วยการให้เด็กเนี่ยลงมือทําในสิ่งที่เขาอยากเรียน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 อาตัวเองเนี่ยไปสืบผลตางสํา น, นักต่างๆนะ <material. S 1> ไปสืบผลจากนอบ้างจากอนัปปนสติบ้างจากพุทโธบ้างแล้วก็เอาครูไปปฏิบัติจากสํา น, นักต่างๆแล้วครูมาสอนนักเรียนมาสนเนนมาสนอให้นักเรียนพอมาสอนนักเรียนปรากฏว่ามันบางคนรับได้บางคนก็รับไม่ได้ก็ไม่ทั่วถึงนะ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 หมดแบตเตอี่เลยหมายความว่าพอเข้าไปในความคิดๆจนจนหมดเรื่องหมดเราติดจนหมดเรียกว่าหมดกำลังอ่ะแต่พอเรามาเจริญสติแล้วมันรีกว่าเราสามารถปิดเปิดความคิดได้ต้องการคิดก็คิดได้ไม่ต้องการคิดก็ไม่ต้องคิดมันสามารถต้องการใช้ก็เปิดไม่ต้องใช้ก็ปิดสามารถควบคุมความคิดและอารมณ์ได้อันนี้มันก็เป็นการบริหารทาให้จิตของเราเนี่ย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 พุทธิใชุ่ทธิปัญญาดังนั้นเองถ้าหากว่าเร า, าได้รับความรู้มาแล้วความรู้นั้นทำให้เราเกิดปัญญาสามารถที่จะเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองได้นั่นก็เรียกพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่ใช้สิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราสันเร่ทั่วไปนะเป็นพุทธประเพณีเป็นเป็นพุทธศาสตร์เป็นพุทธะ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 อ่าไม่สบายใจวุ่นวายใจทาให้น้อยใจเสียใจหุ่นใจโมใจนั้นเป็นบาปหมดอันนี้คือความหมายที่ที่หลวงพ่อเทียนหมายถึงตัวนั้นคะนรกอนรกสวรรค์ขนงพ่อตามความเห็นของหลวงพ่ยามความเห็นในภาคปฏิบัตินั้นแบบหนึ่งในภาคปริยัตินั้นแบบหนึ่งนะนรกสวรรค์ในภาคปริยัติหมายถึงว่าอ่า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 นะทีนี้อยากจะให้จิตนั้นกลับมาเป็นจิตเดิมแท้ใหม่ก็ต้องตลัดบกิเลสตลัดความคิดออกไปจิต ก, ก็กลับมาใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนันะ้นทุกคนมีจิตเดิมแท้อยู่แล้วหะแล้วก็คําถามสุดท้ายค่ะหลวงพ่อนิพพานตามสัทนะของหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างคะนิพพานนิพพานแตลว่าใจเย็นแล้วคนไห น, นใจเย็นคนนั้นก็มีนิพพานอยู่แล้ ว, วแต่ถ้าใจเย็นนี้ใจเย็นทั่วครั้งชั่วคราว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 เมื่อสิ่งเย็นและคุณธรรมต่างๆแ0ดหมื่นสี่พันมเกิดเหมือนยาที่มันเกิดจากดินชุ่ม น, นะแต่ตรงไหนชค่ดินแห้งแล้วเป็นไงต้น ไ, ไม้ก็ตายหญ้าก็ตายเ<อ>มื่อสิ่งของเราตายกับใจอยู่น้ำอยู่ส่วนหนึ่งดินอยู่ส่วนหนึ่งเกิดอะไรแหมแห้งแ้ ง, แงดินก็แห้งน้ำก็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 ขอโอากาสขอบพระคุณความเมตตาของหลวงพ่อที่ให้โอกาสค่ะขอมุทนาจารุนะสาธุค่ะขอเรียนเชิญกูตายค่ะให้โยมถามหลวงพ่อเลยคะเออฟังแล้วเป็นไงบ้งางเดี๋ยววัศนนาดีจาร์ถามว่าเขาถามไม่กูตายฟังแล้วเป็นยังไงเข้าใจอะไรไมหรือสนใจอะไรไหมก็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 ทำให้สิ่งที่มันไม่ค่อยชัดอยู่เนี่ยมันชัดขึ้น mm hmm. ก็ด้านจุดนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหนองด้วยที่ที่ใช้คำถามที่จริงๆแล้ว mm hmm. ม, มันเหมือนกับง่ายๆ mm hmm. แต่ปรากฏว่าเป็นคำถามที่เราพบอยู่ทุกวันทุกวันนะคะ mm hmm. พ่คะ่ะ mm hmm. ตัวนนี้ก็เลยไม่สงสัยใช่ไหมก็เลยไม่สงสัยค่ะเพราะว่า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 มีอะไรเพิ่มเติมหรือใส่ไม่สำหับแล้วคือการเตียเห้มีคัดก่อนอื่นก็ขอขอบคุณคุณหน่องนะคะที่ตั้งคําถามทําให้พวกเรามีความเข้าใจเ อ, อในเรื่องของศาสนาพุทธเพิ่มมากขึ้นต้นเองก็เพิ่งเข้ามาปฏิบัติได้ไม่นานนะคะเมื่อเมษาปีนี้เองนะคะอ่าทั้งหมดเลยเนี่ยที่หลวงพ่อตอบเนี่ยทําให้เต้นเข้าใจ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 จ า, จากประสบการณ์ที่ปฏิบัติรรมแล้วก็จากการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็ครอบครัวขอยืนยันว่ากี่ข้อนะคะคุณหน่องที่ถามมาแค่เยอะไหมครัะประมาณกี่ข้อฮะประมาณสามสิบกว่าข้อฮะเมื่อกี้ที่คาถามขอยืนยันนะคะว่าได้พบจริงๆแล้วก็ทุกน้อยจริงๆอันนี้คือทั้งสามีนะคะคุณรัชชันแล้วก็ตัวคุณไถ่เอง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 ระหังสัมมาสัมพุทโธพระข่าวาพุทธังพระขวานังอาธิวาเนมีสวะข้โตัวพระวะตาธรมโมธรรมังนามิสามี สุปาติปันโนภาวโตสาวกสังโฆสังขังนามี